วันที่หนึ่งคันยาวันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สามสิบวันที่สามเอ็ดมันก็ล่วงไปเรื่อยล่วงไปเรื่อยไม่เคยหยุดอยู่กับที่แหละวันไหนก็วันก่อนแล้วกินแลนอนเหรอนายุสังขารล่วงไปล่วงไปอ่ะก่อนแล้วกินแลนอนทำความสว่างให้กับจิตของตัวเองนั่น ิมันเหมือททึบๆมืดทีไรทึบทีไรมันมีอสรพิษมาแทรกมาสิงอยู่ตอนนั้นทีนั้นเมื่อ น, นั้นนะอย่าลืมนะขี้เกียจอิจฉาริส ย, ยาอ่ะยาบาดโลคสรพัดพิษสงของอสรพิษนี่ มันมาแทรกสิงในหัวใจเนี่ยกินแล้วนอนกอนแล้วนิน ซ, ซ, ซื้อมันก็สร้างรกสร้างรากสร้างรวงสร้างรังให้ครับตัวมันเองกับลูกกับเต้ากับหลานกับเหลน้นโคตรแทกเข้ามันเองนะ่ะหนาตึบ๊บชนมองไม่เห็นอะไรนะ่ะทำยังไงทำใจให้สว่างให้กับตัวเองทำมันสงบ ใจไม่สงบเพราะสิ่งเหล่านั้นมาแย่มาปวนถ้ามันสงบแล้วมันมีความสว่างในตัวมันเองอสรพิษเหล่านั้นมันก็ถอยห่างหนีไปไหนก็ไม่รู้มันถูกความสว่างกำจัดรัศมีของความสว่างน่ะมันกำจัดความมืดในตัวเขาเองกิเลสนั่นแหละในถุงหัวใจของเราเนี่ยพูดพูดแล้วอย่าดกมองไปที่ไหนมองไปที่ใจตัวเอง จะรู้เรื่องทำใจตตวเองให้สว่างสวายให้ปลอดโปรให้เบาสบายให้สงบมันสงบแนละ้วมันก็สว่างมีความสุขอยู่ในนั้นลาบอยู่ในนั้นยศอยู่ในนั้นเกียิอยู่ในนั้ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นสมบัติพระสถานจะจัจ ก, กระพัดอยู่ในนั้นหมดจะไปแสวงหาที่ไหน สิ่งที่เป็นสริริสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ในนั้นหมดเราจะไปเอาอะไรอีกหาอะไรอีกหาอย่างอื่นก็วิ่งคว้าน้ำเหลวตามมันคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าน้ำเหลวมันจะจับได้อะไรกับน้ำเหลวมันจะจับได้อะไรก็กคือเงากิเลสมันหลอกไปก็ไปเราตามไปไปตามพยับเงาของกิเลสพยับเงาเหมือนพยับของเดดนะล่ะ มันเป็นพยับหลอกมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่แท้จริงกระซิบกระซาบให้เราหลงเพลินไปกับมันมันมืดมันทึบทีไรเมื่อไหรมันแทกเข้ามาจิตมันมืดมันทึบทีไรเมื่อไหรมันกระแทะเข้ามาความทุกข์มันกระแทกเข้ามาด้วยนะความผิดหวังความเสียท่าความน้อยเนื้อต่าใจความทุกข์ความยากความจนสารพัดมันรุมมัดตุมในหัวใจนึกไปเองคิดไปเองยึดไปเองถือไปเองทุกข์ไปเอง ไม่มีใครหาให้หรอกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจาเป็นสำหรับชีวิตวันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่มานล่วงไปเฉยๆอะไรก็ล่วงไปหมดอะไรก็ล่วงไปหมดเราจะอยู่เอาอะไรโลกนี้เราอยู่เอาความสว่างให้กับชีวิตจิตใจของเราเท่านั้นทานก็ช่วยชีวิตเรา ความสงบก็ช่วยจิตใจของเราท่านจึงให้ทําบุญทําความสว่างทําที่พึ่งให้กับตัวเราให้ทานทําที่พึ่งความดีความงามให้กับกายกับวาญญาณของเรารักษาศีลเข้าไปเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องซ้ํำซากเราฟังแล้วเป็นเรื่องซ้ํำซาก เราพยายามทําภายในใจของเราให้มันซ้ำซากกันแล้วกันแต่มันจะตรงกันข้ามมันจะไม่ซ้ํำซากมันจะเบื่อมันจะนายพราะจะเริ่มเริ่มจะเข้าไปโผล่ประตูเข้าไปสัหน่อยหนึ่งถูกมันทีบอกมาแล้วถูกมันถีบอกมาแล้วส อ, รอสอรพิษมาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดอะโถมันทีบอกมาแล้วเริ่มจะตั้งใจรักษาศีสนันโอ้ยเราขาดเราไม่ได้นั่นแหละโอ้ยเราขาดเราไม่ได้นี่แหละ เรจะไปหาซอนซะหน่อยอย่ไปหาหนู่นหานี้ซะหน่อยไม่ได้แล้วรักษาสินขาดแล้วถูกมันทีบอกมาแล้วเราจะเจริญเมตตาซะหน่อยหนึ่งเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาเรื่องนี้ก็โผล่ขึ้นมาคนนั้นว่าให้เราคนนั้นทําใส่เราคนนั้นไปชดประชันเราคนนั้นดูถูกเราสารพัดนี่นี่คือพิษสอ ง, อง ม, มันทีออกมาเราดูไม่ออกนะ เราเนี่ยลงเคลื่อนไปกับมันอ่ะไม่รู้สึกตัวหรอกหลงเคลื่อไปกับมันดูไปทิจัยเห็นดูไปที่อื่นไม่เห็นหรอกข้อปฏิบัติหลังนี้เป็นข้อปฏิบัติกํากับที่จิตของเราใครรักษาดูแลรักษาตรงนี้ได้ค้นหาความสุขได้ใครรักษาดูแลไม่ได้ค้นหาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตเลยมีสมบัติมากมายไก่กองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะสมบัติคือสมบัติ แต่สิ่งที่จะเป็นกิเลสกวนใจอยู่ตลอดนั่นแหะมันก็คือกิเลสนั่นแหละมันก็กวนอยู่อย่างนี้แหละยิ่งราวานลโลมให้กับมันนั้นลอลุอมณ์รวยไปกับมันมันก็มันก็ยิ่งมี ม, มีมีพวกเพิ่มพูนทวีคูณเป็นรกเป็นรากเป็นวิบากกรรมตกปลึกไปในหัวใจของเราใจที่เคยนิ่มเคยอ่อนเคยสว่างเคยสงบเคยมีความสุขก็ขแข็งกระด้างมันก็มืดมันกระทึบ นะทุกเคยมีความเบากับหนักหนักน่วงทวงจิตไปด้วยความทุกข์กองทุกทุกล้เกินทุกแล้วเกินทุกแล้วเกินคิดให้มากพิจารณาให้มากร่ครววให้มากอย่าไปคิดคิดคาดคาดเดาเๆาแล้วก็ตัดสินใจเอาอย่าคิดคิดคาดคาดเดาเดาแล้วตัดสินใจเอาคิดไปแล้วไปตันตรงไหนเจาะพยายามเจาะตรงนั้นข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นอะไร ข้อยุติคืออะไรเป็นอะไรมีเหตุมีผลอะไรเป็นมาอะไรยังไงคิดไปติบตันตรงนั้นก็เจาะตัวนั้นขบตัวนั้นอย่าไปสมสม ด, ดาําๆเดาๆแล้วก็ตัดสินใจเอาดุมสมสมดาวดาวแล้วก็ตัดสินใจเอาการที่เรานึกเราคิดด้วยอารมณ์ของเราเองด้วยจิตของเราเองไปคาดไปคิดแล้วไปตัดสินใจพฤติกรรมของคนอื่นสัตว์อื่นผิดหมดผิดทั้งเพยผิดทั้งร้อยเลย นะอย่าลืมว่าจิตใจของคนอื่นสัตว์อื่นอนะ่ะเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาเราก็มีเหตุมีปัจจัยของเราถ้าเราไม่กระจายในเหตุในปัจจัยของเราที่แท้จริงแล้วเราก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราเข้าใจเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาไปคิดไปคาดไปเดาไปเกณฑ์ไปอะไรเกณฑ์ไม่ได้ดอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไปเกณฑ์อะไรให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองอเกณฑ์ไม่ได้ทั้งนั้นแหละลองเกณฑ์ไปสินะวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเกณฑ์ไปสิ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยเกนฑ์พสิเกณฑ์ก็คืออยากอยากอยากได้อะไรตามใจชอบอือยากสวยอยากงามอยากสุขอยากมีเกียรติอยากมียศอยากมีหน้ามีตาอยากรื่นเริงเพลิดเพลินอยากมีความสุขอยากได้อะไรวิเศษวิโสเกินมนุษย์มนาเขานอน่ะคือความอยากเขามันอยากได้อยู่แต่มันจะมีอะไรมาตอบสนองเราได้ลรื มันไม่มีอะไรมาตอบสนองเราดอกอยากอย่างเดียวมันต้องทำเอาด้วยอยากได้ความสุขความเจริญเหตุปัจจัยที่ถูกต้องดีงามคือศีลธรรมเหตุปัจจัยอย่างอื่นยังรองไปดีไม่ดีก็พาเราเขารบเข้าพงไปอย่าลืมอย่าดูถูกอย่าประมาทอย่ามักง่ายในวันคืนล่วงไปชีวิตของเราในความในการตั้งใจรักษาศีลพระพฤติทำปฏิบัติธรรม ให้ตัต้งใจทำให้จริงจัง